นี่เดือนอ้ายอันเนี่ยเดือนอ้ายเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งแล้วเพิ่งหนาวเพิ่งมีหนาวมาขม้นร้องเท่าไหร่มีสิบสิบ้าละขึ้นกัดเพิ่งจะเริ่มหนาวฝนตกสงมา ฝนตกตอนน้ำข้าวสุกแล้วก็มีนุ่นแถวนายุงนะก็งเกี่ยวอยู่ก็มีอะไรก็มีฝนตกน้ำท่วมสามเม็รนะพัดไปหมดข้าวที่ยังเป็นต้นอยู่ก็กี้ตม้มขี้ครอนทับท่วมไปหมดเนี่ยตน่ตนต้นเนี่ยต้นข้าวสุกเนี่ย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 นนจนทางงพยาบางเขาได้หาได้ไปช่วยทำ ท, วท่วมตัวเราได้ไปร่วมเข า, เขาดูแลนวเอกสารสสาม13ะส อ, อ, สอน้ำตาลเมามาอีก12อกน้ำพันสอง ข, อององอขวด มีนับปลาอีกสามสี่กลังมีอะไรอีกไม่รู้ปัจจัยอีกหมือนห้าพันฝากไปกับหมอโรงาบาลโรงบาลหนองโซนไปก็ไปลงสามสี่แห่งห้าแห่งเด้ลงบ้านนั้นเขาแบ่งไปลงเขาได้ของไปเต็มรถหก ล, อล้อนั่นแหละทั้งโรงพยาบาล รวมกับมูลิศอาจารย์ยัยยงคำแพงรวมกับมูลทิศอัจตริสันโตอานะจารย์คำแพงอัตฉสันโตได้ของไปเต็มรถหรล้อนะหล้อรุ่นใหญ่นะไปแบ่งรงสามสี่แห่งห้าแห่งบ้านนอนแห่งบ้านนอนแห่งบ้านนนแห่งบ้าอนแห่ง และอีกที่หนึ่งก็คือที่วัดนาคำน้อยจันยินเขาเปิดเบี่ยงลงยังไงกับมรรลุจันยินท่านรับท่านก็จะเอาไปแจกต่อรือเปล่ากับมรรลุวัดท่านก็กำแพงพังเลยน้าท่วมไปปากรามห้วยปากรามน้ำแรงนี่ตนต้นเดือนอนี้เพิจะมาเริ่มหนาวันชงไ เริ่มนาวมาสองวันวหนาวมา2ีก็มีวันหนึง่ตงตำลมาสิเจแม่ป้าเราไม่ได้ดูวันปฏิโม่เด็กน้ำวันปฏิโมเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวันก่อนเมื่อก่อ น, นวันปฏิโม่ วันพวงนี้ก็มีพวกนั้นมาพักอีกนั่นเอบอกสังคามวรินาผู้ชาเท่าไ ร, ผ, าาไรผู้ิงเท่าไรเียรผู้หิงผู้ิงเจ็ดรติแูเยรติผู้ิงเจ็ดไม่ใช่ผู้ิงแปดไม่ใช่ผู้ิงแปดผู้ชายเกียรตินะผู้หญิงเกียรติในครัวก็ดูเวยเกีรหรือแปด เกียดนี่ยมันบอกผู้หญิงแปดผู้ชันเจ็ดนะม า, มาวันนี้ผู้หญิงขึ้นอีกแล้วฮะนีุ่ติหลังใหญ่ ใ, ใครพักพรุ่งนี้นะขึ้นเดียวบ่ายสองเขามาถึงนายกลัวช่วยดูด้วยบ่ายสอง พวกนั่นแหละพวกทำงานนี้อยู่ที่บริษัทของตัวหมูนั่นละเราไประเทศหลา ย, ท, าลยที่แล้ววิเชลเขาก็มามาก็ต้องได้ฟังเศสียงแล้วผู้นี้ก็ต้องได้พานั่งภาวนาตอนค่ำนิดนึงอีกทู้นี้ต้องมาสวดมนอยู่ที่ตรงเขาทำประจำเขาจับทุกเดือน ที่บริษัทเขานะมีสลาขนาดนี้แหละนี่นขนาดขนาดนี้ขนาดนี้สลาเท่ากับสองเสานั่นแหละ ย, ยาวมันจะยาวหลุดไปนู่นอีกเป็นที่โลง่งหลุดไปนู่นอีกขนาดห้องหนึ่งแล้วยาวทึบไปนู่นอีกสำหรับห้องพักให้ชื่อว่าศาลา สาลาเมตตาหลวงตามหาบัวอย่างสัมฮะใช่ศาลาลำลึกหลวงตามหาบัวอย่างสัมปัโนหลวงตามเคยไปรับประ ป, า, ปาชุนชาติพต่าหมูเขาจดทุกเดือนอจารย์สมหมายไปไประจําทุกเดือนปล่ฝากมนุษย์แล้วก็มันจะในจํานวนหนึงปีเขาจะมีวันสวดในมณฑกุบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไปไลอลง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 จะเทียดออกว่นน้อวันนี่กูบาอาจารย์นั่นอของหลังเนี่ยนเทเียเสร็จแล้วเพื่ น, นไม่ได้ไปพักเลยนั่งฟังเราเอยูน่นั่นแหละลที่ไหนก็ไปมีที่ยันที่เทเทศไปท้งฟังสัมไร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 แล้วความสะดวกสบายทุกอย่างหนึ่งก็มาตามมาตามสื่อนี่แหละไอ้ไอ้ไอ้ประเภทอย่างหนึ่งก็มาตามสือ่อนี่แหล ะ, พพ ะ, าาหละจะมาแบบไหนแบบไหนก็ตามมาด้วยความจำเป็นจำใจมาด้วยความไม่เริ่มใสศรัทธามาด้วยอไะไรมาตาม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 แต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องใจเด็ดเห็นคุณก็เห็นคุณจริงจเห็นโทษก็เห็นโทษจริงๆริไม่ใช่ไปเห็นเล่นแล่นดัาทำผิดซ้ำซากผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกอยู่นั่นแหละแบบนี้ก็มีมันง่ายหรอมันง่ายไหมหจะเลยนี้ใส่ของคน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 มุ่งหวังเกียรติมุ่งหวังสริเสริญเยืนยอทำเพื่อหวังคนทุกข์พังทาเพื่อหวังบุญทำเพื่อห ว, วังถูไม่ใช่ทำเพื่อมาแก้ทำเพื่อแก้สิ่งที่เราเคยร้องละเมิดมา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 ปราสตัวเองปราใส่ตัวอปราความช่วร้าในตัวอมันแทรกเข้ามาเจ้าตัหาทุกทีๆๆ่ีเจ้าสนานเรือมันแทรกเข้ามาทุนีๆๆ่ปรามเขามันรูคํารามปรามมันในลันโลกไใ okay. จดวงเดียวนี่แหละมันก็แทรกอยู่ในใจดวงเดียวนี่แหละ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 กจาขนานี้ต้องทำหตั้งใจจริงๆไม่ได้ดอกทำรอลๆไม่ได้มีชุมีชกเบามีช่วหนักมีช่วเบามีช่วงนหนักมีช่วงนเบามอยู่นี่หจอยู่นี่ห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 กระดูกตรงไหนที่จะไหลอ่างนี้นนกระดูกมันก็เริ่มแตกเริ่มเปือ่อยเริ่มยุ่ยเริ่มเป็นผุยเริ่มเป็นผงเป็นแป้งขาวๆถูกล้มพัดมากลืนกรบหายไปกลายเป็นแผ่นดินทั้งหมดดูไปจนสุด นี่คือพิจารณาปาาัจจัยเอาเลยพิจารณาเรา낭เก่านาเราพิจารณาเราก็ใช้หปปุบปนิมิต่ะเอาให้เป็นตัวเองน่ะตายนอนพอขึ้นเอออยู่นั่นนอนจอกอักอุ้ยเยออยู่ย อ, อยู่เยอะขึ้นขึ้นพองนยําเงนัองน้ํา เ, เขียวเยอะตรงนั้นตรงนั้นแฟบไปตรงนี้นแฟบไปลมก็ดันออกท้งปาก ท้องนักท้องเบากำลนงดูกลิ่นโอ้ยกลิ่นหอมจดตอมโล่กลิ่นกลินคนน่ยแรงกว่ากลิ clean. Clean bo, clean clean. Clean on, ่นกลิ่นปูกินปลากล้งกลิ่นของคนดูสิกลิ่นของคนกินแต่ของดี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 ใส่อะไรไปอ น, น้ำมันก็ออกมาใส่อะไ ร, ะ ไ, รไปอ น, น้ก็ออกมายิ่งเป็นประเภทโปรโตีนพวกเนื้อพวกปลาโอ้ยเหมนมหาสารของแส่บๆแหมกลิ่นทั้งไหนไม่รู้เลยก็มูทั้งกลิ่นแล้วก็เปล่นไปแล้วก็หมพิจารนาโอ้เป็น ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าเขาไ ม, ไม่ว่าเรายำปีโคไกยโยเนี่ยร่างกายของเราของเขาของท่านเอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังนั่นะตีโตมีอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่หน่วงฝนความเป็นอย่างนี้ไปได้ ถาพิจารณาเห็นทั้งภายนเห็นทั้งภายนอกิติตรัชตตาบาวิหิตทวารรัตตวิหิตทวารน่ยวยรมาสมุนทะยธรมาสมุนะวิยธรรมาเห็นทั้งภายในเห็นทั้งภายนอกพิจารณาชพิจาราพิจารณาอุปิมิตตั้งกำหดไป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 สิ่งที่เป็นยอดของสิยอดของมองคลทำให้เรามีปัญญาเราเงอะๆงองซึมซึมเซ่อเซ่อเขาดสติขาดสมรจัญญาเราฝึกสิ่งเหล่านี้เราฝึกตรงฝึกถูกแก้ปัญหาถูกถูกจุดแก้ปัญหาตรงจุดเราสร้างเราทำเอาไว้มันยังไม่เกิด เข้เอาสนใจเอาไว้ดูเอาไว้ศึกษาไว้อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเอาไว้อันนี้คือวิธีการเสริมปัญญาให้กับตัวเองเราแพ้เขาเราะเราขาดปัญญาธรามะกินไม่ท่านเขาเพราะเร า, ราขาดปัญญาคนทีาเขามีบุญคนเขามีปัญญามองเห็นอะไรทลุอุปโภคไปหมดมองเห็นเงินเห็นเห็นเงินเห็ น, ห น, หนทองเต็มไปหมดก็่ อ, อยเอาลนะ มีบัญญากับ้าปัญญาปัญญาบัจจน้องมาเพื่อเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยเพื่อเบื่อหน่ายมันก็เหตุสัจจะทำได้เจ็มเพียงจัดเจียนอันนี้ส่งเหล่านี้เวลาให้ให้ผลมามันให้ผลในคราวขับคันเหมือนอย่างที่เราฟังว่าพระป่วยวลาสุดท้ายใกล้จะตายแล้วมันเลกถึงตัวเองนอนจม บุญจะรับประสบมาอยู่เมืเ่อลึกทั้งเสียงตัวเองนเรามีสีนบบริสุทธิ์อนอไม่ด่างไม่พร้อไม่ขาดไม่ะลุกพร่มใจปีติยินดีแน่ที่เคยสังสงบอบร ม, มานี่ยมันจะล่องมาถึงภาวะขับขันรอนนั้นจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาปุได้ปุ๊บได้ตับขึ้นมาทันที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 ทำให้เรามีสติมีปัญญาเป็นของตัวเองเอาแล้ววันนี้เอาแค่นี้แหละนอนเท่าไรแล้วหน่ะสามทุกว่าแล้วไปบืญอื่นช่วยดูพวกนั้นเข้ามาด้วยบ่ายสองก็ามาถึงเขามานอนคืนหนึ่งตอนข้ามเขากินอะไรกินน้ำกินอะไรมีมนม้ำก<ม>ินน่าจะไม่รับทานมั่งมาอยู่วัดยังไงมารับทานมาได้ อมีน้ำมีอะไรโก็ไปอะไรเจอกินเกียรติบ้างเล่าเกียรติงานเราก็ต้องอดต้องทนแหละงานเราทําอยู่ตรงนี้อเสียงวงแวงวงแวงเสียงเครื่องอทั้งวันนะ่ะทั้งวี่ทั้งวันเครื่องก็คือเครื่องตัวเราก็ภาวนาอยู่มุมไหนกุติก็ภาวนาตัวรู้จักประโยชน์ของตัวเองก็ทําเอา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 อ้าววันนี้คนอีสาย